นั่งสมาธิอย่าให้จมลงไปถ้จิตมจมลงไปโมหามจะแทรกจะซึมรักษาสติไปไม่ว่าทำอะไรนะทิ้งสติไม่ได้จำเป็นที่สุดเลยถ้าสติไม่ทันอันเดียวนะสมาธิมันจะกลายเป็นมิจฉาสมาธิส่วนมากโมหามจะแทรกรู้ตัวสบายๆผ่อนคลาย ใ, ใจสบายรู้สึกสบายๆหรือเนรู้ตัวไปเราพอนาเราจะไปน้อมให้ใจเราเคลื่อน ใ, ใจมันต้องตั้งมั่นไม่ไหลเข้าไปนี่พวกเราเคยสังเกตเวลาเราปฏิบัตินะจิตเราจะเคลื่อนไปเวลานั่งสมาธิจิตก็เคลื่อน ไปจับอารมณ์ของสมาธิอย่างเรารู้ลมหายใจนี่จิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมบางคนจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องอย่างเงี้ยเดินจงกลมมาบางคนจิตเคลื่อนไปอยู่ที่เท้าเคลื่อนหรือเวลาเราจะดูจิตขนาดเราจะเดินวิปัสสนาจะดูจิตเราส่งจิตไปดูเราไม่ได้ดูจิตว่าเราจงใจจะดูจิต ลองดูก็ได้พวกเราลองดูจิตตัวเองซิงตอนนี้รู้สึกไหมมีการส่งจิตไปดูมันจะถลําเข้าไปข้างในนะแล้วเข้าไปกวานกวานกวานวาน่าจะไปดูอะไรดีเท่าที่แรกยังไม่เจอว่างๆอยู่กวานคพอไปเจออะไรไหวๆแคหน่อยนะเอาละ ว, ว่าตรงนี้แหละจิตก็ <c oughs> จับอยู่ที่นั่นเองก็เพ่งอื่นะแกเป็นเพ่งอารมณ์นะ ไม่ใช่วิปัสนาละทีแรกก็ไปเที่ยวหาก่อนว่าจะดูอะไรดีพอไปเจอสภาว่าอะไรเข้าก็จ้องอยู่ตัวนั้นเลยอันนั้นคือการเพ่งเพ่งอารมณ์มีอารมณ์จิตไปอยู่ที่ตัวอารมณ์เมืม่อไรจิตไปอยู่กับอารมณ์นะแต่ไม่ขาดสตินะก็ เ, ะเป็นอารามณนุพนิชานแต่ถ้าเราจงใจน้อมไ่จนซึมโมหะแทรกเนี่ย น, นี่เป็นมิชฉาสมาธิเลยใช้ไม่ได้เรามาดูปนิชันเราฝึกไว้ชำนาญชำนาญเราไว้เล่นไว้พักผ่อนก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่มันไม่ใช่วิปัสนาจิตเป็นเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์จะทำวิปัสนาได้จิตมันถอนตัวออกมาเห็นอารมณ์แสดงใจรักจิตเป็นคนดูสบายๆโดยไม่เจตนาจะดู ถ้าเรียนกับหลวงพ่อเราสังเกตให้ดีหลวงพ่อจะสอนกรรมฐานที่ไปถึงจุดที่ไม่ได้จงใจไม่ได้เจตนาอย่างสอนให้หาทรู้สภาวะบ่อยๆจนสติเกิดโดยไม่ได้เจตนาให้เกิดยังคนไหนขี้โมโหขี้โมโหเกิดแล้วให้คอยรู้เรื่อยๆทีแรกก็จงใจรู้ว่ามันโมโหละวคอยตั้งใจค่อยรู้เอาต่อไปจิตมันจําสภาวะของความโกรธได้แม่นพอโกรธปั๊บ สติะระลึกได้เองว่าโกรธแล้วไม่ได้เจตนาะระลึกยัต้องฝึกจนมันไม่เจตนาแล้วสมาธิเหมือนกันจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาไม่ได้เจตนาไม่ต้องไปน้อมหรือไม่ต้องไปรักษาให้ตั้งถ้าน้อมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอรามนูพนิชานนี่พยายามที่จะตั้งไว้ก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้สมาธิจริงแข็งๆทื่อๆไม่มีความสุข เป็นอาตตากรรมฐานุโยคสมักกว่ า, บ, าบังคับวิธีฝึกให้จิตมีสมาธิตั้งมั่นโดยอัตโนมัติก็คือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนพอจิตมันจำสภาวะที่จิตเคลื่อนได้แม่นพอจิตเคลื่อนสติเกิดทันทีที่สติเกิดความเคลื่อนแรงเคลื่อนคือตัวความฟุ้งซ่านจะดับเมื่อความฟุ้งซ่านดับสมาธิแท้ๆก็ เ, เกิด นี่มันมีเหตุมีผลของมันทุกขั้นทุกตอนนะมันเคลื่อนว่ามันหิวอารมณ์มีตันหามก็เคลื่อนไปเรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อนทันทีที่สติเกิดความฟุ้งซ่านที่จิตเคลื่อนมันเคลื่อนด้วยแรงฟุ้งซ่านอุทจจะอุทจจะก็ดับทันทีที่สติเกิดความฟุ้งซ่านก็ดับทันทีที you know ่ความฟุ้งซ่านดับ ความสงบและความตั้งมั่นก็เกิดจิต ท, ที่สงบเนี่ยอาจจะไม่ตั้งมั่นนะแต่จิต ท, ที่ตั้งมั่นสงบตัวจิตสงบแต่อารมณ์ไม่สงบแต่ถ้าเป็นสมาธิเพ่งอารมณ์นะมีสติไปจดจ่ออยู่ในอารมณ์จิตสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวแต่จิตไม่ตั้งมั่นจิตมันหไหลไปแต่เวลาที่เราเป็นจิตผู้รู้นะ เราเห็นจิตเคลื่อนจิตเคลื่อนดับก็เกิดจิตรู้ตั้งมั่นขึ้นมาจิตรู้ที่ตั้งมั่นเนี่ยโดยตัวของมันมีความสงบอยู่ด้วยแต่อารมณ์ที่มันไปรู้นะไม่สงบอารมณ์น่าหลากหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสมาธิสองอย่างนี้อารมณ์มันต่างกันถ้าสมาธิที่สงบเพ่งอารมณ์มันเดียวหรืออาราณ์มโูภนิชานี้อารมณ์มันเป็นหนึ่งจิตมันเป็นหนึ่ง จิตก็สงบอารมณ์ก็สงบส่วนสมาธิที่ใช้เดินปัญญาเรียกลักขณูปนิชฌานเป็นสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยจิตตั้งมั่นด้วยสงบด้วยแต่อารมณ์ไม่สงบอารมณ์หลากหลายจิตเป็นหนึ่งแต่อารมณ์เป็นร้อยเป็นพันได้สมาธิสงบนีจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เ ป, มเป็นหนึ่ ง, มนนงสมาธิตั้งมั่นนะในความตั้งมั่นสงบด้วยแต่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เท่าไหร่ก็ได้ ตรงที่อารมณ์เท่าไหร่ก็ได้นี่แหละที่ทําให้เราเดินวิปัสสนาได้อารมณ์เป็นหนึ่งยู่เดินวิปัสสนาไม่ได้ถ้าเราสังเกตให้ดีเวลาเราเดินวิปัสสนาเราจะเห็นสภาวะที่เป็นคู่คู่เช่นหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้าดูง่ายว่าเป็นสองอันเป็นคู่ยืนเดินนั่งนอนมีทั้งสก็ถือเป็นคู่เหมือนกันหมายถึงเป็นสภาวะซึ่งมีการเทียบเคียงได้ ถึงความแตกต่างกันนะคาว่าเป็นคู่ไม่ใช่แปลว่าสองอันเทียบกันได้นะอย่างสภาวะของความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยมีสามอันก็ถือว่าเป็นธรรมที่เป็นคู่นะมีคู่เปรียบเทียบนั่นเองแต่ไม่ใช่เป็นคู่สองนะมีคู่เทียบเทียบกันได้เวลาที่เราจะทำวิปัสสนาเราจะเรียนธรรมที่เป็นคู่ ค, คู่เช่นเราเห็นว่าความสุขเกิดแล้วความสุขก็ดับ สภาวะเป็นคู่คือมีความสุขกับไม่มีความสุขมีความทุกข์กับไม่มีความทุกข์นี่ก็เป็นคู่คู่มีความเฉยเฉยกับไม่เฉยก็เป็นคู่คู่จิตที่เป็นกุศลกับจิตที่ไม่ได้เป็นกุศลก็เป็นคู่คู่จิตโกรธกับจิตไม่โกรธจิตรอบกับจิตไม่รอบจิตหลงกับจิตไม่หลงจิตฟุ้งซ่านกับจิตโทถูนี่เป็นคู่คู่ ทำไมเรียนคู่ๆเราจะได้เห็นว่ามันพลิกไปพลิกมานะสภาวะธรรมไม่คงที่อยู่ที่เดียวแต่พลิกไปพลิกมาได้อย่างคนขี้โมโหคนขี้โมโหวความโกรธเกิดบ่อยเราดูจิตโกรธเป็นหลักสิ่งที่เข้ามาคู่กับจิตโกรธก็คือจิตไม่โกรธนะจะเห็นจิตที่ไม่โกรธคือเวลาที่เราเห็นจิตโกรธเกิดขึ้นสติระลึกรู้ว่าความโกรธเกิดขึ้น ความโกรธจะดับอัตโนมัติมันจะเกิดสภาวะที่ไม่โกรธขึ้นในขณะที่รู้ว่าโกรธนั้นขณะนั้นไม่โกรธเราจะเห็นว่าความโกรธก็ไม่เที่ยงเกิดเป็นไม่โกรธไม่โกรธอยู่ชั่วคราวพอกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจใหม่โกรธอีกแล้ว <c oughs> ก็เห็นสภาวะที่ไม่โกรธเนี่ยไม่เที่ยงอีกนะหรืออย่างหลวงพ่อตอนหลวงพ่อภานนานะหลวงพ่อดูตัวอื่นมาเยอะละสุดท้ายมันเหลือแต่รู้กับเผลอรู้กับเผลอ รู้กับเผลอก็เป็นคู่หนึ่งเหมือนกันก็เห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตเผลอไปก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตเคลื่อนน่ก็ไม่เที่ยงเห็นเป็นคู่อยู่อย่างนี้แต่เดิมไม่เข้าใจการปฏิบัติคิดว่าจะบรรลุมาผลสูงสูงขึ้นไปได้นะจิตต้องไม่เคลื่อนเลยก็ไปพยายามรักษาไม่ให้จิตเคลื่อนรักษาอยู่ได้สเดือน รักษาไม่ไม่เคลื่อนเคลื่อนปุ๊บรู้ปุป๊บก็กลับมาส่งตัวอยู่เงี้ยแล้วพอใจในสภาวะที่ไม่เคลื่อนไปส่งกันบ้านหลวงปู่ดูลหลวงปู่บอกทำผิดแล้วนี่แทรกแซงจิตจิตมันมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเคลื่อนไหวไปมาไปบังคับมันให้ทรงตัวเป็นผู้รู้อยู่เฉยๆให้ไปทำใหม่ทำผิดแล้วดูผิดแล้วนี่แทรกแซงจิตเนี่ยท่านสอนนะมันเข้าใจยากที่จริงก็คือเรามุ่ง จะเอาจิตรู้เราปฏิเสธจิตหลงเราจะเอาอันหนึ่งเราเกลียดอีกอันหนึ่งแต่เราไม่รู้เราคิดว่าถ้าเอาอันดีไว้ได้นะแล้วไม่ชั่วได้เนี่ยจะบรรลุมรรคผลมันคนละเรื่องเลยในความเป็นจริงแล้วเราเห็นว่าจิตรู้เรามีจิตรู้เพื่ออะไรเพื่อจะได้ตัดจิตหลงให้ขาดเป็นช่วงๆคนทั่วไปไม่เคยมีจิตรู้มันมีแต่จิตหลงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจิตหลงเที่ยง ก็จะรู้สึกว่าจิตเที่ยงจิตนี้คือตัวเราปุถุชนทั้งหลายเนี่ยจะรู้สึกว่าจิตคือตัวเรานะปุถุชนทั้งหมดเลยจะรู้สึกว่าจิตคือตัวเราเพราะเห็นว่าจิตเป็นเที่ยงนะนี่ที่เรามีตัวรู้ขึ้นมาเพื่อจะได้ตัดจิตหลงให้ขาดนะแล้วตัวรู้อยู่ชั่วคราวก็ดับเกิดจิตหลงใหม่พอจิตหลงเกิดขึ้นอีกลำมีสติรู้ทันอีกก็เกิดจิตรู้ จิตรู้จิตหลงจิตรู้จิตหลงอะไรเนี่ยมันจะสลับกันทั้งวันนะเดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้นะจำนวนของความหลงกับรู้เนี่ยหลงเนี่ยจะเท่ากับรู้บวกหนึ่งนะมีสมการเหมือนกันนะหลงเนี่ยเท่ากับรู้บวกหนึ่งอย่างถ้าเราหลงหนึ่งครั้งวันหนึ่งเนี่ยเราหลงหนึ่งครั้งไม่มีรู้เลยนะไม่ได้รู้เลย ถ้าเราหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยไม่มีรู้เลยหลงมีหนึ่งแต่รู้เป็นศูน์แต่ถ้าวันนี้เรารู้ตัวได้หนึ่งครั้งก่อนจะรู้เนี่ยมันหลงอยู่แล้วก็รู้หนึ่งครั้งแล้วก็หลงเห็นไหมหลงมีสองรู้มีหนึ่งนี่มันจะน้อยกว่ากันอยู่หนึ่งนะนจะน้อยกว่ากันอยู่หนึ่งยิ่งเราพอนาไปเรื่อยๆนะตัวรู้เกิดเร็วขึ้นเร็วขึ้นหลงมันก็เยอะขึ้นหลงมันจะบ่อยขึ้นนะแต่มันสั้น เพราะนถ้าหากเราภาวนาแล้วหลงสั้นลงสั้นลงนะแล้วก็มารายงานหลวงพ่อว่าโอ้หหมู่นี้หลงบ่อยหลงบ่อยฟังเราปรื่มนะอถ้าเธอหลงไม่บ่อยเธอหลงวันละครั้งเนี่ยหลวงพ่อฟังเราท้อแท้ใจตายระหว่าสอนเธอถ้าแทบตายเธอไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยทําไมต้องมีหลงกับรู้สลับกันไม่ใช่เพื่อจะเอารู้ไม่ใช่เพื่อจะไม่หลงไม่ใช่เพื่อจะเอาอันหนึ่งเพื่อปฏิเสธอันหนึ่ง แต่เพื่อจะเห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้สั่งให้เกิดก็ไม่ได้นะจิตหลงห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้เพื่อจะเห็นไตรลักษณ์แม้เรียนต้องเรียนเป็นคู่ไม่ใช่ว่ามีจิตรู้อย่างเดียวแล้วดีนะต้องมีคู่ของมันคือหลงเมื่อเราเห็นได้จิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดแล้วก็ดับนานนานไปเนี่ยปัญญามันจะปิ๊งขึ้นมาเวลาปิ๊งขึ้นมามันไม่ปิ๊งหรอกว่าจิตรู้เกิดแล้วดับจิตหลงเกิดแล้วดับ มันจะปิ้งว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับมันจะไปรู้รวบยอดเวลาที่เราทํากรรมฐานนะเรารู้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัา้นเองเพียงหนึ่งคู่ก็พอแล้วแต่เวลาที่ความเข้าใจเกิดนะันจะเข้าใจทั้งหมดเลยเข้าใจทั้งโลกทั้งจักรวาลเข้าใจทั้งกายเข้าใจทั้งจิตไปหมดเลยแค่เราเห็นว่ารู้เกิดแล้วก็ดับหลงเกิดแล้วก็ดับนะใจใจมันฉลาดขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ เพราะนเวลาที่เกิดอริยมรรคเนี่ยไม่ใช่รู้ว่ารู้เกิดแล้วดับหลงเกิดแล้วดับนะแต่จะเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดารู้ทั้งหมดเลยเรียนส่วนย่อยเรียนจุดเล็กนิดเดียวแต่เวลาความรู้ความเข้าใจเกิดนั้นรู้รวบยอดนี่เป็นการเรียนที่เหมือนงานวิจัยมากเลยรู้สึกไหมเหมือนงานวิจัยเราสุ่มตัวอย่างไม่กี่ตัวอย่างแต่เราเห็นภาพรวมได้อย่างเราอยากรู้ทัศนคติ นะของคนไทยเนี่ยนะทั้งในกรุงเทพในต่างจังหวัดแต่ละภาคนะในประเทศในต่างประเทศคนไทยต่อรัฐบาลนะเราไม่ต้องแจกไปแช่แนเจ็ดสิบวล้านใบนะถ้าทำอย่างนั้นโง่เลยล่ะนะมันสุ่มตัวอย่างเอาหาตัวอย่างคนในเมืองนะคนต่างจังหวัดนะคนแต่ละภาคเนะี่ยคิดกำหนดตัวอย่างมาคนต่างประเทศ ประเทศที่เจริญประเทศที่ไม่เจริญอย่างประเทศที่คนไปท ร, รมาหากินอย่างไปยุโรปไปไปอเมริกายุโรปส่วนมากไปแต่งงานไปทำงานมีเหมือนกันนะแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยไปอยู่อเมริกาไปเรียนหนังสือไปทางานเนี่ยเยอะถ้าอย่างยุโรปเนี่ยไปแต่งกับฝรั่งเยอะนะคนไทยรือถ้าไปซาอุใช ห, หมมคนละคนกลุ่มคนละกลุ่มนะนั่นไปไปขายแรง ง, งานอะไรเงี้ยคนแต่ละกลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีทัศนะที่ไม่เหมือนกันงั้นถ้าเราทำเพื่อแน่อยากรู้ทัศนาของคนไทยเราก็ต้องมีกลุ่มตัวอย่างเลือกกลุ่มตัวอย่างมานะเป็นตัวแทนพอเราวัดความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มได้เราจะสรุปได้ว่าคนแต่ละคนไทยรู้สึกยังไงนะในภาพรวมรู้สึกยังไงคนแต่ละระดับอาชีพรู้สึกยังไงนะคนแต่ละระดับภาคแต่ละจังหวัดนรู้สึกยังไง คนต่างประเทศรู้สึกยังไงเราจะไม่ศึกษาทั้งหมดแต่เราศึกษาส่วนน้อยแล้วเรารู้ทั้งหมดเนี่ยลักษณะของที่จะทำวิจัยภาคสนามแล้วทำกันอย่างนี้มันเหมือนการที่ทำกรรมฐานเองทำวิปัสสนานะเราเรียนส่วนน้อยนิดเดียวเองอะแต่เวลาเข้าใจเข้าใจทั้งหมดแล้วตัวอย่างที่ใช้สุ่มมาเรียนเนี่ยพระพุทธเจ้าให้ไ้แล้วนะอย่าไปคิดเอาเองนะ อิดเอางคิดเอ า, อา ง, อาอางมันทำไม่รอหรอกมันไม่ใช่ภูมิที่เราจะทำได้ด้วยตัวเองเราไปดูว่าท่านให้ตัวอย่างอะไรไว้นะในภาพรวมก็คือรู้รูปนามต้องเป็นรูปเป็นนามนะถ้าไม่ใช่รูปไม่ใช่นามเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้นี่รูปนามเนี่ยท่านจำแนกเอาไว้มากมายดูจากอะไรจากสติปัฏฐานในสติปัฏฐาน4ี่แต่ในสติปัฏฐาน4ี่นั้นต้องระวังนิดหนึ่ง บางอย่างใช้ทําสมถะนะเป็นอารมณ์ที่ท่านยกมาให้ทําสมถะบางอย่างทําวิปัสนาบางอย่างเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาเนี่ต้องต้องเข้าใจเหมือนกันถ้าอันไหนเป็นอารมณ์รูปนามแท้ๆนะอันนั้นเป็นทําวิปัสนาได้ถ้าไม่ใช่อารมณ์รูปนามทำวิปัสนาไม่ได้อย่างเรื่องพิจารณาอาหารเป็นปฏิกรูนี้ไม่ใช่เรื่องรูปนามปฏิกูลัสุภะเนี่ยไม่ใช่ไตรลักษณ เพราะฉะนั้นอย่างเราพิจารณาร่างกายเป็นตตูคูนัสุภะไม่ใช่วิปัสนาะพิจารณาว่าเนี่ยไม่สวยสกปรกตั้งแต่หัวถึงเท้าเต็มไปด้วยขี้สมมุติอย่างนี้นะมีขี้อะไรบ้างายกตัวอย่างคนละนั้งแต่หัวถึงเท้าที่หูอขี่้มุก อ, อะไรนะขี้เฉยเอะ ขี้ตาโอ้ดูสิขี้ตาขี้หูขี้มูกนี่แค่ส่วนนี้เอนะนะขี้เหงื่อขี้ใครใช่ไหมขี้มือขี้ตีนขี้เล็บโอ้โหเยอะแยะเลยเนี่ยทั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยพิจารณาอย่างนี้นะสมถานนะไม่ใช่วิปัสสนาอัปปัิกุณอสุภพไม่มีสภาวะรองรับนะไม่ใช่สภาวะทมไม่มี ก็ไม่เป็นไตรรักษณด้วยอย่างของเหม็นบางคนว่าเหม็นบางคนว่าหอมนี่ไม่ใช่ของจริงนะควาำว่าเหม็นมนะมันแล้วแต่ชอบบางคนว่าปลาล้าเหม็นบางคนว่าปลาล้าหอมฝรั่งก็มีนะกินปลาเน่านะปลาอะไรเออเป็นกินแถวนอร์เวย์อ่ะมันจะมีปลาเน่าๆเลยหรือเั็นว่าเรากินทุเรียนเหม็น นะแต่ละชาติมันก็มีของเหม็นๆทั้งนั้นแหละแต่ว่าเขาว่าหอมของเขานะอ่ะเหมาะนั้นเหม็นกับหอมนะไม่มีสภาวะนะของปลอมแต่ไฟนี่ร้อนเหมือนกันไหมเนะี่ยความร้อนเนี่ยของจริงเหม็นนี่ไม่ใช่ของจริงบางคนว่าเหม็นบางคนว่าไม่เหม็นแต่ไฟมันร้อนใครโดนก็ร้อนทั้งนั้นเนี่ยมันของจริงเนะนี่ยเราเวลาดูนะดูสภาวะทำที่เป็นรูปนามเนี่ยมันจะเป็นของจริง ส่วนในเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่คิดเอาเปรียบเทียบเอาเรียกว่าบัญญัติงั้นเวลาเราจะทำวิปัสสนาะเราต้องดูอารมณ์ที่เป็นรูปนามอย่างความกโกรธคนไทยกโกรธกับคนจีนโกรธลักษณะเดียวกันไหมตัวความรู้สึกเหมือนกันหมากโกรธกับคนโกรธความรู้สึกอย่างเดียวกันไหมเนี่ยความโกรธเป็นสภาวะจริงๆเ้าเรียกว่าอารมณ์ปรมัตินะมันมีของจริง เวลาที่เราจะพาวนานเราดูจากของจริงอารมณ์จริงๆความโลภคนไทยโลภคนจีนโลภหมาโลภแมวโลภเหมือนกันนะแต่วิธีแสดงออกมาอาจจะต่างกันนะอย่างคนดีใจทำยังไงคนดีใจยิ้มหั ว, วเราะใช่ไหมกระโดดลดเต้นถ้าหมาดีใจทำไงต้องใส่แต่ความรู้สึกอ่ะเหมือนกันนึกออกหมแต่อาการต่างกัน อาการนั้นเป็นของที่ผลิตขึ้นมาไม่เหมือนกันแต่ความรู้สึกเนี่ยอันเดียวกันนั้นตัวความรู้สึกเนี่ยมีจริงเวลาดูดูของจริงเนี่ยความรู้สึกทั้งหลายนามาทำทั้งหลายเนี่ยแสดงตัวจริงง่ายตัวรูปแท้ๆดูยากมากเลยสิ่งที่เป็นรูปแท้ๆนะรูปดินน้ำไฟลมดูยากนะในเส้นผมเนี่ยมีดินน้ำไฟลมาเงี้ยดูยากนะเข้าใจยากมากเลย แต่ของที่ดูง่ายนะคือความรู้สึกของเราความโกรธความโลภความหลงอิจฉานะอิจฉามีสภาวะไหมอิจฉานะคนแต่ละประเทศอิจฉาก็เหมือนกันนะความรู้สึกอย่างเดียวกันนะเนะี่ยดูอย่างนี้ง่ายๆเลยนะเบื่อนะเบื่อมีไหมมีสภาวะไหมมีใช่ไเซ็งมีไหมเนี่ยนะดูของจริงนะมันจะเกิดขึ้นมาความสุขความสุขมีสภาวะไหม ใครสูบมันก็สูบอย่างเดียวกันนะความรู้สึกนะแต่แสดงออกไม่เหมือนกันความรู้สึกกันเดียวกันตัวความรู้สึกเนี่ยดูสภาวะง่ายไม่ซับซ้อนอย่างดูในผมหนึ่งเส้นเนี่ยมีทั้งธาตุดินน้ำไฟลมดูยังไงดูยากตายเลยแต่ความรู้สึกสูบความรู้สึกทุกข์อะไรเป็นสภาวะที่อยู่เดียเด่ยวๆอยู่แล้วนะความดีความโลภความโกรธความหลงอะไรเนี่ยนะ world, เกิดเดียเด่ยวๆอยู่แล้วดูสภาวะจนถึงสภาวะเชิงเดี่ยวตัวเนี้ยนะ ซึ่งดูในจิตในใจเราเนี่ยมันจะขึ้นมาทั้งวันเดี๋ยวก็สุขแล้วความสุขก็หายไปเดี๋ยวก็ทุกข์ความทุกข์ก็หายไปเดี๋ยวก็ดีความดีก็หายไปเดี๋ยวก็โลภแล้วก็หายเดี๋ยวก็โกรธแล้วก็หายเดี๋ยวก็หลงแล้วก็หายถ้าคนไหนตัวไหนเด่นเอาตัวนั้นเป็นหลักเช่นคนนี้ขี้โมโหก็ดูจิตโมโหเป็นหลักนะคนนี้ขี้โลภเจออะไรอยากได้หมดเลยนะเจอมือถือยี่ห้อนี้ก็อยากได้ หันไปเจออีกตู้หนึง่งยี่ห้อนี้ก็อยากได้นะกลุมใจนะอันนี้ก็จะเอาอันี้ก็เในื้อใจมันขี้โลบให้รู้ทันเนอะรู้ว่าใจรอบปุบความรอบดับหันไปเหตุอีกอันหนึง่งโลบใหม่นะก็ดูอีกความรอบดับอีกที่เห็นรอบเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับขี้โมโหก็เห็นโมโหกเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเห็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าคนไหนมันทั่วๆไปพเพลนพเลนไม่มีอารมณ์อะไรเด่นนะ ตัวไหนเกิดก็ดูไปเถอะทุกตัวนั้นเกิดระดับนะแต่คนส่วนใหญ่จะมีเขาเรียกอะไรนะมีจริตมีจริตจริตขี้โมโหจริตขี้โลภนะพวกราค้าจริตพวกอะไรนิสัยตัวไหนมันเด่นนะมันจะเกิดบ่อยมันเกิดบ่อยแล้วก็เอาตัวนั้นเป็นหลักแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดูตัวอื่นดูตัวเดียวให้ชํานาญนะแล้วตัวอื่นเกิดก็จะมองเห็นได้ด้วยเก่งซะตัวหนึ่งก่อนแล้วตัวอื่นก็จะชํานาญ เนื้อกรรมฐานจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเก่งตัวหนึ่งแล้วตัวอื่นจะแถมมาอย่างถ้าเราเล่นกสินนะเราเล่นกสินกระสินมีสิตัวกระสินสิตัวเนี่ยถ้าเราเล่นชํานาญตัวหนึ่งนะตัวอื่นเนี่ยจะเนื่องกันได้ง่ายได้ตัวหนึ่งเนี่ยตัวอื่นจะต่อง่ายเลยใช้เวลาไม่นานแล้วตัวแรกนั้นเล่นกันเป็นปีๆนะกว่าจะเต้นกสินได้กว่าจะได้ปฏิภาคน่าเลยแต่ตัวต่อไปจะได้เร็วมันชํานาน ถ้าชำนาญจริงแนละ้วกําหนดเข้าถึงก็ปฏิภาคเลยชํานาญคือไม่ต้องไปถึมแม้เอาไฟแต่เดิมดูไฟไฟนะเป็นบริกรรมนิมิต ด, ดูไปจน ก, กายหลับตาก็าเห็นนะก็เรียกว่าอุค ห, หานิมิตแต่ถ้ามันกลายเป็นดวงเป็นแสงขยายได้เล็กได้ใหญ่ได้เวลาเล็กลงมาน้ํามจะแสงมันจะเข้มมากเลยใหญ่ก็เหมือนพระอิตพระจันทร์อะไรทใหญ่ได้อันนี้เป็นปฏิภาคแต่ถ้าเราชํานาญนะเราไม่ต้อง ทำโดยการไปจุดเทียนทุกครั้งหรอกแค่เรานึกถึงไฟปุ๊บนะมันขึ้นมาอุคหะเลยนะแล้วมันต่อเข้าปฏิภาคเลยถ้าชํานาญนะถ้าชํานาญจริงก็จับเข้าทีเดียวนะก็สว่างเป็นปฏิภาคเลยเวลาทำวิปัสสนาก็เหมือนกันนะถ้าเราชํานาญในการดูสภาวะตัวหนึ่งแล้วตัวอื่นจะดูง่ายตัวอื่นจะดูง่ายมันลำบากไอ้ตัวแรกนี่แหละ งันตัวแรกเนี่ยของเราตัวไหนเกิดบ่อยดูตัวนั้นบ่อยๆมันจะได้เห็นบ่อยๆพอเห็นบ่อยๆสติจะได้เกิดเร็วๆนะพอสติเกิดบ่อยๆแล้วนะก็ความรู้ความเข้าใจมันชัดเจนขึ้นนับต่อต่อไปพอมีสิ่งแปลกปลอมอะไรเกิดขึ้นมามันเกิดที่เดียวกั น, นเกิดที่จิตอ่ะสภาวะแปลกปลอมใดเกิดขึ้นที่จิตสติมันระลึกได้หมดเลยนั่นจะชํานาญได้ทุกตัวต่อไปเอาไปกินข้าว